ที่นี่สถานีวิทยุครอบกรัวกก่าวสตรอยร้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลอาพี่ปุณโนจากวัดป่าต่อไนโศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มาพบกับท่านู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวั น, น, นในวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็มาพร้อมกับคุณสันรสนินาคพง์ในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธข้าพเจ้าก็จะนาเรื่องราวที่เป็นในพระสูตรบ้าง ในคําอธิบายต่างๆมาอ่านมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ท่านผู้ฟังจะนําเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรมาเล่าให้ฟังในลักษณะแบบใหม่คือในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราไม่อยู่แล้วมีแต่คนเขาบอกมาว่าเออพระพุทธเจ้าสอนว่ายอย่างนี้อย่างนี้ผู้ที่บอกเล่าให้ฟังก็คือเหล่าสาวกที่ ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าไอ้สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นคำสอนที่ดี <c oughs> ก็ได้บอกเล่าสืบทอดต่อๆกันมามีการจดบันทึกลงเป็นลายรักอักษรให้ได้มีการศึกษาเทียบเคียงกันและแน่นอนบางที่บางถ้อยบางคำเองก็มีความลึกซึ้งก็จึงได้มีการอธิบายไว้ด้วยซึ่งการจดบันทึกเหล่านี้เป็นเรื่องที่สาวกควรจะต้องทา ในการที่จะทรงจำคำของพระพุทธเจ้าบอกต่อคำของพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความจำแจ้งจึงมีส่วนที่เรียกว่าเป็นอัตกตาก็มีส่วนที่เรียกว่าเป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าก็มีถึงแม้เราจะเรียกว่าเป็นคำสอนโดยตรงแต่เรียเป็นข้อมูลมือสองมือสาอหรือหลายสิหรือหลายร้อยมือละ่ะคำว่าหลายสิบหรือ หลายร้อยมือเนี่ยกระหม่อมเขามาส่งกันมาเป็นทอดๆหลายสิบหลายร้อยรุ่นต่อๆกันมาแล้วเราไม่ใช่เฉพาะภาษาบาลีที่มีการแปลเป็นภาษาต่างๆเพราะฉะนั้นหลักการในตางคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยเรามีหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องกลับมาหาตัวแม่บทไม่ว่าใครจะพูดเรื่องอะไรในคําสอนใดๆก็ตามเออการที่กลับมาหามาพิจารณา ดูในตัวแม่บทอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ข้าพเจ้าจึงจะได้ให้ในภูวังเนี่ไล่ลองฟัง น, นิทานธรรมบทที่เรื่องเกี่ยวกับท่านพระสารีบุตรนี่แหละเอากรณีนี้มายกเป็นตัวอย่างในตอนที่ท่านถูกพระรูปหนึ่งโจทย์โจทย์ด้วยการที่เอาสังคติมากระทบเหมือนกับว่ามากระทบกระทั่งกันแล้วไม่ขอโทษแล้วก็จากไปจะให้ฟังเรื่องแรกก่อนคือเรื่องที่มาในนิทานธรรมบท เขก็มีอธิบายเรื่องนี้ออกไปแล้วก็จะได้ให้ฟังตัวพระสูตรตัวพระสูตรเต็มที่เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรคุยกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะมาเปรียบเทียบทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังฟังว่าส่วนไหนคือส่วนที่เราควรฟังควรทําความเข้าใจส่วนไหนคือข้อมูลส่วนไหนที่เราควรจะต้องจับฉวยให้เข้าใจให้ดีดีเป็นเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทเรื่องเกี่ยวกับท่านพระสารีบุตร พระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารอบพระสาริบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปัตวีสมโมโนวิรุจจติอินทะกีรูประโมตาที่สุปโตระหะโวะอเปตักกัตทะโมสังสาราระพาวันติตาที่โน แต่ว่าภิกสุใดเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีข้อวัดดีมีกิเลส ด, ดังเปลือกตุมไปปราดแล้วเหมือนห่วงน้ำปลาสะจักเปลือกตมุมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พิกสุนั้นผู้คงที่ตอน พระสารีบุตรถูกพิกสุรูปหนึ่งโจ์ความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรออกพรรษาแล้วไร่สลีกไปสู่ที่จาริกจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบ่งคมแล้วออกไปกับด้วยบริวารของตนปิกษุทั้งหลายมากแม้อื่นตามส่งพระเตระแล้ว ก็พระเถระปลาศัยกับภิกษุทั้งหลายผู้ปรากฏอยู่โดยชื่อและโดยนามสกุลตามชื่อและโคตคือนามสกุลแล้วจึงบอกให้กลับภิกษุผู้ไม่ปรากฏโดยชื่อและโคตรูรปใดรูปหนึ่งคิดว่าโอ๋เนาพระเถระน่าจะยกย่องปราศัใสเราด้วยสามารถชื่อ และโคตบ้างแล้วพึงให้ครับพระเถระไม่ท่านกำหนดถึงท่านในระหว่างแห่งภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแม้ภิกษุนั้นผูกอ้าคาดในพระเถระว่าพระเถระนี้ไม่ยกย่องเราเหมือนภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นดังนี้มุมสังคติแม้กองพระเถระถูกสรีระของภิกษุนั้นแล้ว แม้ด้วยเหตุนั้นภิกษุนั้นก็ผูกอาฆาตแล้วเหมือนกันภิกษุนั้นรู้ว่าบัดนี้พระเถระจะล่วงอุปัจาราิหารดง น, นี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากรามทูลว่าแค่แต่พ ร, ร, ร, ร, ร, ระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรทำร้ายข้าพระองค์เหมือนทำลายหมวกหูไม่ให้ข้าพระองค์อดโทษแล้ว หลีกไปสู่ที่จาริกด้วยสำคัญว่าเป็นอั克รสาวกของพระองค์ดังนี้พระศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระเถระมาแล้วตอนพระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา9ก้าอย่างในขณะนั้นพระมหาโมคลาณนะเถระและพระอนุเถระกิดแล้วว่า รัศดราไม่ท่งทราบความที่แห่งพิกสุตรนี้อันพี่ชายของพวกเราไม่ทำร้ายแล้วก็าหาไม่แต่พระองค์จะประสงค์ให้ท่านบรรลือเสียานาฏเราจะให้บริษัทประชุมกันดังนี้ประเตระทั้งสองนั้นมีลูกดานอยู่ในมือคือลูกกุญแจเปิดประตูบริเวณแล้วกล่าวว่าท่านผู้มี่าอายุทั้งหลายจงออกมาเถิด ท่านผู้มีอายุเท่างหลายจงออกมาเถิดปบันนี้ท่านพระสาริบุตรจากบัลือเสียนาฏณนะเบื้องพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ก็ให้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมกันแล้วฝ่ายพระเทระมาถวายบังคมพระศาสดานั่งแล้วลําดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเนื้อความนั้นกับพระเทเรนั้นแล้ว พระเตระไม่กราบทูลทันทีว่าภิกษุนี้อันข่าพระองค์ไม่ได้ทำร้ายแล้วแต่เมื่อจะกล่าวคุณกาถาของตนจึงกราบทูลว่าข่าแถบพระองค์ผู้เจริญสติเป็นไปในกายอันภิกษุใดไม่พึงเข้าไปตั้งไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบกระทั่งสัพพมจารีรูปใดรูปหนึ่ง ในธรรมะวันไหนนี้ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จะริกแน่ดังนี้แล้วประกาศความที่ตนมีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเสมอด้วยน้ำไฟลมผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานโคอุสะพะมีเขาขาดความอึดอั้นด้วยกายของตนเหมือนชากงูเป็นต้น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 จนที่สุดน้ำในวาระตั้งก้าแล้วก็ในเวลานำอุปมาด้วยผ้าเช็ทุลีเด็กชันทานและภาชนะหมันค้นมาแล้วภิกษุผู้ปุรุชนไม่อาจเพื่ออดกลั้นน้ำตาไว้ได้ธรรมะสังเวทเกิดแก่ภิกษุขีนาศพทั้งหลายแล้วเมื่อพระเตระกล่าวคุณของตนอยู่นั่นแล ความเร้าร้อนเกิดขึ้นในสริระทั้งสิ้นของภิกษุผู้กล่าวตูแล้วตนันใดนั้นแลภิกษุนั้นมอบลงใกล้พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประกาศโทษในเพราะความกล่าวตูด้วยคําอันไม่จริงแสดงโทษล่วงเกินแล้วตอนจิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดิน พระศาสดาตรัสเรียกพระเทระมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมคคะบุรุษณ้เสียตลอดเวลาที่ศีรษะของเขาจะไม่แตกโดยเจ็ดเสียงพระเทระนั่งกระโยงประคองอัญชลีกราบตุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยอมอดโทษต่อผู้มีอายุนั้น ขอผู้มีอายุนั้นจงอดโทษต่อข้าพระองค์ถ้าว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไม่ตำชามพระเถระไม่กระทำความโกรธหรือความประทุษร้ายแม้มีประมาณน้อยในเบื้องบนของภิกษุผู้กล่าวตูด้วยมุสาวา ชื่อเห็นป่า น, นี้ตัวเองเที่ยวนั่งกระโยงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นอดโทษพระศาสดาทรงสดับกถานนั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุต้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุต้งหลายกราบตูนว่าเรื่องชื่อนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุต้งหลาย ใครๆไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุสลายเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสาริบุตรได้ภิกษุทั้งหลายจิตของสาริบุตรเช่นด้วยกับแผ่นดินใหญ่เช่นกับเสาเขื่อนและเช่นกับพ่วงน้ำใสและเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบ อ, อนุสนติจึงตรัสพระกถานี้ว่า พิสูตไดสเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีวัดดีมีกิเลสดั่งเปลือกตุมไปปราดแล้วเหมือนห่วงน้ำปราศจากเปลือกตมุมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พิกษุนั้นผู้คงที่ลัง น, นี้บาลีว่า ภทวีสโม โ, โนโวิรุษติอินทักีลูปะโมตาทิสุพโตระหะโทวะอเปตะกตะโมสังสาราระพาวันติตาทิโนและนี่คือเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทนะัตบฟังเป็นเรื่องที่76ในภาคที่สี่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านพระสารีบุตรถูกโจทย์ทีนี้เรามาฟังเรื่องในพระสูตรกันในพระสูตรที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังบันบานมาแล้วว่าจะมีเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรถูกโจทย์เรื่องนี้มีในพระสูตรอยู่อยู่ในคัมภีร์เล่มที่23่สาคัมภีร์ชื่อว่าอังคุตระนิกายอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าวุทตติสูตรแค่พระเจ้าจะอ่านให้ฟังและยท่านผู้ฟังลองฟังดูนะ ว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรวุทธิติสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันารามของท่านนาถบินดิวกาเษตีใกล้พระนครจ่าวตีกรั้งนั้นและท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่สวนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในนครสาวกตีนี้แล้วข้าพระองค์ปรารถนาจะหลีกจาริกไปในชนบทสาริบุตรเธอจงสําคัญการอันควรไปในบัดนี้เถิดลําดับนั้นท่นปราสาริบุตรจึงได้ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วก็กระทำประทักษิณหลีกไปพระนันแลเมื่อท่านพระสารีบุตรหลีกไปแล้วไม่นานมีภิกษุรูปหนึ่งได้เข้ามากราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสาวรีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษหลีกจาลริกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเรียกให้ภิกษุ อีกรูปหนึ่งไปเรียกท่านพระสารีบุตรมาเมื่อภิกษุนั้นทําดังนั้นแล้วท่านพระสารีบุตรรับคำของภิกษุนั้นแล้วในที่นั้นท่านพระมหาโมคลานะและท่านพระอานนุ์ถือลูกดานเที่ยวประกาศไปตามวิหารว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงรีบออกมาเถิดจงรีบออกมาเถิดบัดนี้ท่านพระสารีบุตร จะบลือสีหนาถเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคกลางนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังกรมแล้วนั่งนะที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเพื่อนพระมจันรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้กล่าวหาเถอะว่า เธอกระทบแล้วไม่ขอโทษหลีกจาริกไปในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าข้าแต่พระอผู้เจริญกายาขาตาสติอันภิสูจใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิสูจนนั้นกระทบเพื่อนปรมาจารย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกจาริกไปแน่ แค่แต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดร า, ารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นแม้ฉันใดข้าพงก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพ่บุ์กว้างขวาง ไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแค่แต่พระองค์ผู้เจริญกายากตาสติอันปิสุรูปใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายปิสุตนั้นกระทบเพื่อนพรมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึ่งหลีกจะริกไปเป็นแน่แค่แต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้าง ไม่สาดบ้างมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายน้ำหนองน้ำเลือดบ้างลงไปในน้ำน้ำนั้นก็ไม่อึดหัดระอ า, ารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยน้ำอันไปบูญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีปยาบาดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กายากตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนปรมจารย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึ่งหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่ปรุ่งผู้เจริญไฟย่อมเผาของสอาดบ้างไม่สาดบ้างเป็นต้นแต่ไฟนั้นก็ไม่อึดหัด ระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยไฟอันไปบูญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทข้าแต่พระองผู้เจริญกายาคตาสติอันภิกสุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกสุนั้นกระทบเพื่อนปรมจันทร์ รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึ่งหลีกจาริกไปเป็นแน่ค่แต่พระองผู้เจริญลมย่อมพัดเข้าไปในของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ลมนั้นก็ไม่อึดอัดราเรังเกียจติด้วยสิ่งเหล่านั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยลม อั็นภัยบุญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายาคถาสติอหนภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนปรมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะไว้ในนี้แล้วไม่ขอโทษเพิ่งหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผ้าเช็ดทุลีคือผ้าขี้ริว้วย่อมชำระของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ำมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างแต่ผ้าเช็ดทุลีคือผ้าขี้ริ้วนั้นก็ย่อมไม่อิดอัดรารังเกียจติด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกัน มีใจเสมอด้วยผ้าสำหรับเชตุลีอันภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแค่แต่ปรุงผู้เจริญกายากตาสติอันภิสูุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิสษุนั้นกระตบเพื่อนผู้ประพฤติพรมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษ ซึ่งหลีกไปเป็นแน่แค่แต่พระองค์ผู้เจริญกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่าๆ เ, เข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทาน อันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแค่แต่พรุ่งผู้เจริญโคที่มีเขาขาดแล้วสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกดีแล้วศึกษาดีแล้วเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเขากระทบอะไรอะไร แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยโคที่มีเข่าขาดแล้วกาแต่พระองค์ผู้เจริญสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับตกแต่งพึ่งอึดอัดรารังเกียจ ด, ด้วยซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่เขาผลูกไว้ที่คอแม้ฉันใด ขาพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลย่อมอึดอัดราร ranging ด, ด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนประคองภาชนะน้ำหมันข้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลย่อมบริหารกายนี้ที่มีรูทะลุ เป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่แต่พระองค์ผู้เจริญกายาคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษเพิ่งหลีกไปเป็นแน่ลำดับนั้นภิกษุรูปนั้น ลุกจากอาสนะอมผ้าเฉวียงบาข้างหนึ่งมอบลงแทบบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพานเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดอย่างไรที่ข้าพระองค์ได้กล่าวตูนท่านพระสารีบุตรด้วยคําอันเป็นเท็จไม่เป็นคําจริงขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับโทษของข้าพระองค์นั้น โดยความเป็นโทษเพื่อความสารวมต่อไปเธอพระโุก้าเราผู้มีประภากตรัสว่าภิกษุโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลคนหลงไม่ฉลาดอย่างไรที่เธอได้กล่าวตูสารีบุตรด้วยคําที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงเป็นเท็จแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็จะทำากืนตามตาม เราย่อมรับโทษของเธอนั้นภิกษุ้อที่เธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำร่มต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมคคับบุษผู้นี้มิฉะนั้น เพราะโทษนั้นนั่นแลศสีศสรษะของโมคะบุรุษนี้จะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงท่านพระสารีบุตรจึงได้ตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมอดโทษต่อท่านผู้มีอายุนั้นถ้าผู้มีอายุนั้นกล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุนั้นจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยดัยงนี้บุตติสูตร เอาละนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตระนิกายเป็นตัวแม่บทเดิมเราได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นแม่บทเดิมแล้วก็ได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นธรรมบทที่เป็นคําขยายความพูดง่ายๆส่วนที่เป็นอัตถกถาฟังๆดูในธรรมบังเราจะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องลงรับกันอยู่นี่คือลักการในธะรรมบังนะฟังดูให้ดีส่วนไหนที่ลงรับกันสอดคล้องกันเรามาดูตรงนั้น แจะทมให้เราเห็นถึงบริบทในสถานการณ์ที่ในพระสูตรเดิมเนี่ยเราจะเห็นได้ ว, ว่าไม่ได้มีบอกว่าไอ้ ก, กระทบกันเรื่องอะไรทำไมถึงกระทบกันในตากาเขาก็จะอธิบายบริบทไว้เพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ในในตอนนั้นได้ว่าอ๋อท่านภาษาัติบุตรจะเดินจากไปอ๋อเขาทักทายกันอ๋อเขาคนนี้เลยมีความเข้าใจอย่างงั้นแต่ทําให้เรามีความเข้าใจ ในบริบท ต, ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากในส่วนของอัตตะาถาอย่างไรก็ตามไอ้ท่านผู้ฟังตรงข้อมูลส่วนที่ว่าบอกว่าตรงนี้คนนี้ไปที่นั่นเหตุการณ์นี้เกิดที่นี่พทะเจ้ากล่าวว่ายอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คาตรงส่วนเนี้ก็เป็นคําที่เป็นของอัตตะคาาจารย์อยู่ละผู้ดีบันทึกข้อมูลมาแล้วก็พอเปิดเครื่องหมายคําพูดว่ า, าพระเจ้าตรัสบ้างนี้บิกสุดต้องไายว่าไปตรงนั้นเนี่ยเป็นบุดปตใช่ยอยูแ่แต่ส่วนที่จะเริ่มเปิดขึ้นมาเนี่ย ว่าสถานการณ์นี้เป็นยังไงพระบรตชา ต, ตัดกับใครพวกนี้เป็นสิ่งที่อัตตกต า, าจารย์ท่านอธิบายเอาไว้ใส่ข้อมูลเอาไว้ให้เพื่อที่เราจะได้ทราบถึงบริบทถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในนักหนาหนัน เ, เราทราบแล้วว่ า, เ, าเขาเคลื่อนกันเรื่องอะไรออเพราะว่าอะไรมากระทบกันออจีวอมากระทบกันเหตุการณ์นี้เกิดแบบไหนลักษณะไหนออกําลังจะจากไปหลีกไปเออตรงนี้ทําให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้น แล้วลักษณะที่เอ๊ะทำไมท่านพระมาหาโมกละนะกับท่านพระอ น, นุนมาเกี่ยวอะไรในเรื่องนี้ด้วยทําไมไปเที่ยวเรียกภิกษุอื่นๆเนี่ยมามาอยู่ในสถานการณ์นี้เพื่อที่จะมาดูท่านพระสารีบุตรบรรลือเสียนาซึ่งจะบอกว่าคนที่ไม่ได้ชํานาญในการ่านพระติบิ๊กเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าโหนี่คือสถานการณ์ที่ท่านพระสารีบุตรจะได้บรรลือเสียนาเพราะว่าคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ผิดแน่อยู่ละเป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะให้ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรม ซึ่งในส่วนที่เป็นอรรคคาถาเขาก็อธิบายเอาไว้เนีชี้แจงเอาไ ว, ว้ว่าอ๋อท่านทั้งสองเนี่ยท่านพระมาหาโมคละณะกับท่านพระ อ, อ น, นุนเนี่ยคิดอย่างนี้จึงไปเที่ยวเรียกงพิกสุเหล่าอื่นมากนอกจากนี้ท่านผู้ฟังเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราจะให้เห็นว่าพิกษุนั้นเนี่ยก็สํานึกความผิดตั้งแต่ที่ท่านพระสาริบุตรเนี่ยไปได้สัปปมันครึ่งทางได้อธิบายเรื่องตั้งแต่ดินน้ําลมไฟ การตั้งสติเอาไว้ในกายใช่ไหมเทไปได้อยู่สักครึ่งทางก็เริ่มสํานึกความผิดละอันนี้ในอัตตกตาเขอธิบายเอาไว้แต่จนกระทั่งถึงสุดท้ายตรงนี้แต่ม้ถ้าเราอ่านเฉพาะส่วนที่เป็นภาษาแปลมาเนี่ยนะไม่ว่าจะอ่านจากสํานักไหนเนี่ยแต่ว่าเขาแปลจากคัมภีร์เล่มนั้นหรือเล่มนี้เนี่ยจะไม่เรามีความเข้าใจว่าเอ๊ะทําไมจะต้องไปกล่าวกับพระพุรธเจ้าไม่กล่าวกับท่านภาษาสดาบุตรเหมันดีฟังแล้วอาจจะงงๆไม่เข้าใจ แต่ว่าถ้าเราไปดูในคําขยายอันนี้ก็จะค่อนข้างพูดไปชัดเจนว่าก็คืออดโทษให้แล้วก็เป็นธรรมเนียมตั้งแต่ตรงนั้นมาท่านบฟังนี่เป็นข้อที่เราจะบ่งบอกถึงความที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากไม่ได้พูดว่าตัวเองไม่ผิดแต่ก็กล่าวทําให้ฟังแล้วพอเขาขอโทษก็ยังขอโทษเขากลับด้วยนะว่าโ อ, อ้ถ้าเผื่อว่าผมผิดก็ผมก็ขอโทษด้วยนั่จึงจเป็นธรรมเนียมที่ว่ามีการขอกระหม่อซึ่งกันและกันตั้งแต่บัดนั้นมา ในนี้เป็นเนื้อหาที่เราฟังดูให้ดีอรรมบุฟังเรื่องที่เป็นคาอธิบายคาบอกคากล่าวเนี่ยเราฟังดูให้ดีกลับมาที่ตัวแม่บทแล้วใช้หลักการนี้นั่นธรรมฟังหลักการที่เราพิจารณาดูที่ตัวแม่บทด้วยหลักการที่เราดูคําส่วนที่เป็นขยายด้วยอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกันลงรับกันสนับสนุนกันจะทำให้เรามีความรู้กว้างขวา ง, วางอย่าไปปิดตัวเองว่าไอ้อัตกตาฉันไม่อ่านคือคือดูดูได้ ดูเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจะทำใหเรามีความเข้าใจลึกซึ้งอันไหนลงรับกันเราก็เอาอันนั้นเอ๊ะไหนเรายังไม่เข้าใจคือดูๆแล้วมันอาจจะไม่ลงรับกันเราก็เอาอันที่มันถูกเอาแน่นอนแล้วว่าเอาพุทธพจน์สิ่งที่เป็นแม่บทนี้เอาไว้ก่อนถ้าไหนที่ขัดกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นแม่บทเราก็เอาที่ถูกอันไหนที่มันไม่ถูกเราก็ไม่เอาอันนี่มันลงรับกันเราก็เอาสิ่งนั้นอันนี้มันขัดแย้งกันเราก็ยกไว้ก่อน คือบางทีความรู้เราอาจจะยังไม่กว้างขวางในบางครั้งบางคราวนะท่านฟังตัวข้พาพเจ้าเองเนี่ยประสบมาหลายครั้งคิดว่าอันนี้คือคิดว่าถึงขนาดว่าตัวแม่บทนี้ก็ไม่ถูกละต่อให้อธิคถาอาจจะให้ความหมายขัดแย้งกันคิดว่าอธิกฐานี่ก็ไม่น่าจะถูกคิดว่าตัวแม่บทก็ไม่น่าจะถูกที่จริงมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ที่ไหนได้านยบุฟังความรู้เรามันยังน้อยเกินไปแต่พอไปศึกษาเพิ่มเติ ม, มทําความเข้าใจจากแง่มุมของการปฏิบัติด้วย เพราะว่าโอ้ความรู้เรามันยังอ่อนเกินไปจริงๆพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ถูกต้องดีงามอยู่แล้วอัตถกะถาถ้าในความหมายความเห็นไว้บางทีมีแง่มุมที่ลึกซึ้งเราก็ค่อยทําความเข้าใจทาความเข้าใจไปความรู้ของเราจะมีความกว้างขวางขึ้นตามหวั ง, งความรู้ของเราจะมีความแตกฉานขึ้นตามหวั ง, งลักษณะในการศึกษาในการที่ให้กลับมาที่ตัวแม่บทนี้สําคัญเพื่อที่จะไม่ให้การเล่าเรียนการศึกษาเนี่ยเป็นงูพิษ กับจิตกับใจของเราได้และแน่นอนนะการศึกษาที่จะเป็นงูพิษถ้ามันเป็นงูพิษแล้วเราจะจับอย่างไรไม่ให้งูพิษนั่นมากัดเราก็ต้องจับในลักษณะที่ให้กลับมาที่ตัวแม่บทไหนสอนรับรงกันเอาเๆนั้นให้เดินอยู่ในมัคไม่ด่าไม่ว่าใครแล้วก็ทําการปฏิบัติด้วยและศึกษาด้วยการปฏิบัติอันนี้คือเรื่องที่สําคัญศึกษาเล่าเรียนในทางคําสอนแล้วไม่ให้สิ่งนั้นเป็นพิษ ในการที่จะทำร้ายตัวเรเองโดยการที่ทำให้เกิดการปฏิบัติในจิตในใจโดยการที่ทำให้เกิดการปฏิบัติในทางศีลสมาธิปัญญาให้จิตน้อมไปในลักษณะที่จะทำให้มีกิเลสอาสวะออกไปจากใจอ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไม่ได้เพ่งโทษคนอื่นแต่ใช้ความรู้ที่เราได้มาจากการเล่าเรียนนั้นในการที่ทําใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจากเจ้าเครื่องร้อยรัดอิเลสตนะต่างๆวันนี้ข้าพเจ้ายกตัวอย่าง เรื่องของพระสูตรโดยเอาเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรถูกกล่าวตูถูกโจดนี่แหละมาเป็นตัวอย่างให้ท่านบุฟังได้เห็นถึงการที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเห็นถึงคําขยายความต่างๆส่วนที่มันสอดลงรับกันทาให้เรามีความรู้กว้างกวางในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าได้และถ้าท่านบุฟังจะมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องเข้าทั้งรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือประสัญญาบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศก เล็กที่1หมู่8ตำบลดอนายโศกําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์พี e วธรรมะ .com P U R E D H A M M A ส่งมาแล้วข้าพเจ้าได้รับก็จะนํามาตอบคําถามในช่วงของวันพฤหัดกับวันสุขกับคุณสรรสนีย์นาพงและวันนี้เวลาหมดล้ท่านฟังก็ขอาไปก่อน ขาพชาพระมาหาไยบุณอภิปุญโญจากวัดป่าดอนหายโศเจริญพร